เอาต่อไปหน้าที่สิบเอ็ดอ่ะต่อจากเป็นภาคสองมีต่อจากสักครู่เนี้ยเรื่องเวทนาต่อเนะ่ยเอาเดีใช้อ่านต่อที่อถาธิบายบทนเมื่อตกี้พูดไปแล้วไหมในเรื่องของดูก่อนอักที่เวทนาอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างไหนเนี่ยย่อมเเบือนายแม้ในสุขเวทนาแม้ในทุกขเวทนาแม้ในทุกขมาสุขเวทนาเบือนายนี่เป็นชื่อของนิพิทาแล้วเนาะ เมื่อเบื่อนายก็คลายกําหนัดคลายกาหนัดที่เป็นชื่อของวิราคะเนะเป็นชื่อของอริยมรรคแล้วเพราะคลายกําหนัด ก, ก็หลุดพ้นหลุดพ้นก็ยังรู้ว่าหลุดพ้นแล้วไอ้ยังรู้นี่เป็นชื่อของปัจจเวคขณะยานเนะย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจัรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้หนีเอาต่อไปอา ธ, าธิบายบทนี้ว่าพร้อมกันดูเดียวอธิบาย Yeah. <laughs> ชื่อว่าสามิสสะเวตนาโตมนาสเวตนาอาศัยนกรรรมหกชื่อว่าิรามิสสะเวตนาโอเค เอาแค่ตรงนี้ก่อนเนาะกลับมาดูเ อ, อสวยสุขเวทนามีอามิตรสมณะเวยนาหรือสุขเวทนาที่มีอามิตรอามิตรในที่นั้นเป็นชื่อของเป็นชื่อของเหยื่อเป็นชื่อของเป็นชื่อของกรรมคุณนะเป็นชื่อของกรรมาคุณคืออาศัยกรรมาคุณเนี่ยกรรมาคุณก็เป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไอ้คํากรรมาคุณเนี่ยเออเขาทําไมไม่เรียกกามาโทษ ไอ้คุณนะศักดนั้นก็แปลว่าเครื่องผูกคำว่าคุณนะเนี่ยไม่ใช่แปลว่าคุณไม่ใช่แปลว่าศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณมีมุตติคุณมีมุตติญาณทัศนคุณคนเรื่องกันนะแต่การมาคุณในที่นั้นแปลว่าเครื่องผูกไอ้คําว่าเครื่องผูกก็คือเหมือนเชือกเหมือนเชือกที่มัดที่ผูกที่รัดที่ลึงกันไว้เนี่ยฉะนั้นมันแน่นไหมแน่นมากใช่ไหมรูปสวยๆเสียงเพราะๆ กลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสนิ่มๆผูกแน่นไหมโอ้โหเมื่อกี้ไปทดลองดูเป็นไงคุยเป็นลั่นเลยนะเหนะ็นไหมเนี่ยเครื่องผูก่อไปแล้วอูชื่นใจเนอ้อได้สัมผัสเร่องแมอาหารเนี่ยเราจะชอบใจมากถ้าผ่านให้ผ่านทวารลิ้นไปถามว่าถ้าเจาะเข้าทั้งคอชอบใจทไหงทั้งที่ก็เข้าไปเหมือนกันใช่ไหมมีอีกลายนึงเจาะเข้าที่กระเพาะเลย อัดทองอัดเข้าไปโอ้ร้องทรมานอัดเข้าไปแต่ก็พออยู่ได้แต่ถามว่าชอบใจมันก็หิวคือไอ้ตัณหามันต้องการให้ผ่านลิ้วคือชิวหาเชิช่ยวหาประสาทเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้สัมผัสรสเนะีมันก็ร้องเรียกหารสเปรี้ยวหวานมันไอ้ราาษฎรหาความยินดีพอใจในรสเนะี่ยมันต้องการตรงนะั้นฉะนั้นที่มันผ่านเข้าไปเนวะัตถุประสงค์คือมันต้องการรสชาติ ไอ้กามาคุณตัวนี้ยสมนัสเวทานาที่อาศัยการมาคุณนี่มันเป็นเครื่องผูกเราเราจะไม่เราจะ ไ, ไม่เห็นโทษเท่าไหร่นะถ้าว่าเรากินทุกวันาเนี้ยถามว่าเราลองคิดดูนะ ว, นวันวันหนึ่งเนี่ยไอ้ เ, เรื่องอาหารเอาแก๊อาหารอย่าพูดพูดทวารอื่นนะเอาทวารลิ้นเนี่ยบางทตีตื่นมาตอนตีสี่ลุกเลยเนาะลุกขึ้นมาแล้วทํากับข้าวเสียงกะกะกะกะกะกเสียงเนี่ยตลอดเวลาแล้วให้วุ่นกันแล้ว บางคนที่ทําอาหารต้องเลี้ยงคนเยอะนี่เป็นชั่วโมงอ่ะถามดิถามว่าเขาในขณะที่เขาทําอาหารเนี่ยเขาทาจิตเขาคิดยังไงจิตเขาเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะหรือเป็นไปกับกุศลโดยส่วนมากม่ะมีไหมที่เขาจะดําหลี่ยงโอ้เราจะถวายทานเพื่อบูชาคุณของพระเจ้ามีสักกี่ครั้งเนี่ยที่เราคิดอย่างเงี้ยเห็นไหมแค่อาหารอย่างเดียวเราคิดดูมันจะเป็นไปกับบาปเป็นไปอ ก, กุศลอ้าวพอตอนเช้ากว่าจะเสร็จนี่นะ บางทีตื่นตั้งแต่ตีสี่ทำอยู่นั่นแหละทำเสร็จจริงร้านอาหารเนี่ยเราเห็นชัดเลยนะโอ้โหทำคนมากินกินกิกินเสร็จแต่าำไอ้พวกกระทําก็ทําปะทําจนเกิดจนแก่ทํากันมาจนหลายชั่วคนเลยว่ากันเถอะเล่นเถอะกินก็ไปเอาออกก็มีอลไรหรอกกินถ่ายออกกินถ่ายออกอยูเฮ้ยนีนมนุษย์นี่ไม่มีอะไรเลยว่ากั้นเอะไปแตะลิ้นใสรแกเดี๋ยวก็ไปถ่ายออกแล้วก็กินใหม่ถ่ายออกกินใหม่ทายออกยูเนี้ยไม่มีอะไรเลย เรามัไม่ยอมเบื่อกันททีทำ ว, ว, ว, ว่าตอนเช้าตอนเช้าผ่านไปแั๊บเดียวตอนเทนเอา้แล้วเสียงแก่แกแกแกกันไล้เรื่อมาหนีแล้วเอาพอตอนเทนไตอนช่วงเช้าวกว่าจะถึงเทนเนี่ยไม่ใช่ไมเมีเอะไรใส่ท้องนะโอ้โหหลอกคอบแล้วแก่เลยถ้านั่งรถใดจะยอมผู้หญิงนั่งทั้งท้ายนี่แหละนี้ไม่ใช่ดินตายยอมผู้หญิง พอเสียงพอเสียงทั้งกอบแกวกแก้วเหลือไปไม่มีอะไรแล้วกินอาหารกันทั้งเงียบก็ปแปลว่าหลับพอพอไม่มีอะไรใจปากคุยกันกรัดเลยนี่ยพักอารมณ์คันกินพูดหลับยัเตื่นมาติ่นมาเดี๋ยวก็คุยกันเลยนะพอคุยแล้วพักนึงหิวอจอดตรงนั้นหน่อยจอดหน่อยหิวหิวก็วลงไปซื้อของกินกันดีไหะเสียงเรากรอบเราแกบแล้วก็เราแกวบอกบโอ้โหโทษของโทษของทษจริตนี่เขาไม่รู้เลยนะว่าใจก็เป็นไปกระบาปเนาะ ถามว่าโลภะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นในขณะที่เขากินเข้าไปเนี่นะเขาไม่รู้เลยนะว่าโอ้โหทางตัณหาที่มันเกิดมาทางชิวหาตะวานก็เลิกระสะ ต, ตัณหาใช่ไหมอาศัยอะไรอาศัยอะไรอาศัยอาศัยลิ้นอาศัยรถอาศัยชิวหาวิญ ญ, ญาณประชุมกันเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดสมณะเสวนาเขาก็ไม่รู้แนะแนะ่ในขณะนั้นนะ่ะ ไอสโมสมันั้เวทนาที่มันเกิดกขึ้นว่าเคี้ยวเคียวกินไปมีหินเขาไปแทรกลก้อนนึงทุกเวทนาบ่นเนยอะทุกเวทนาเกิดขึ้นมาแล้โอ้ยทำไมเครียดไปเกินใครทําอาหารอบนใหญ่แล้วเนี่ยพอสักพักนึงอุเบกาวเวทนาเกิดโมหะต่อไปเนี้ยเวทนาก็เป็นปจัจจัยแกตันหาตันหาก็เป็นปัจจัยก็ทํากรรมโอ้ยแต่อยู่กายกรรมเนี้ย เพื่อนไห ว, ว่าชิกรรมพูดด้วยจิ้นน้ำจิ้นยังพูดอยู่นี่ยอะไรใส่ในปากยังพูดอยู่เนี่ยคุยรั่นเลยเนี่ยวัชก็ทุจริตกา ย, ยทุจริตใจก็เป็นมโนทุจริตถามว่ากรรมของเขาเนี่ยมันมีให้ผลไหมลนะ่ะโอ้ชาวนาเขาแต่ละครั้งชาวนาดวงที่หนึ่งให้ผลในภพนี้เอาสิชาวนาดวงสุดท้ายให้ผลในภพถัดไปดวงที่สองถึงหกให้ผลที่ภพที่สามเป็นต้นไปนี่โอ้ยถามวุ่ศัตกรรมที่ก็ทําแดววันๆเขาไม่เคยรู้ตัวเลยเนะ่ ไปพูดอย่างนี้แต่คนไม่ศึกษาว่าทําอย่างแล้วไปพูดอย่างนี้ก็ว่าพ้าเสียเลยใช่ไหมถ้าเราศึกษาว่าทำํำเราจะเห็นโอ้โหสังสารวัฏน่ากลัวมากโอ้เห็นโทษเห็นภัยแล้วโอ้ยไม่ต้องแปลกใจนะสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในการมคุณแบบเนี้ใช่ไหมบางทีก็เป็นสมนัสเวทนาอาศัยเรือนบ้างโทมนัสเวทนาอาศัยเรือนบ้างก็ใสยตัณหานี่แหละแล้วก็อุเบกขาเวทนาอาศัยเรือนกระเพนไปอย่างนี้ยฉะนั้นเวทนาที่อาศัยเรือนเกิดขึ้นมาเขารู้ไหมเขาไม่รู้หรอก เขาาไม่รู้เหตุเกิดความดับอัศชาอธินวะของเวทนาเหล่านี้เขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้นะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเขาไม่รู้หรอกได้ผัสสะมันมีการประชุมกันของอะไรของมีการทวารลิ้นเขาก็ไม่รู้นะมีชิวหาภระสาตแปะอยู่ที่ทวารลิ้นเขาก็ก็ไม่รู้และมีราสารมคือรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรก็แล้วแต่ที่มาแปะที่ชิวหาภระสาตแล้วมีชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นทำสารประการประชุมกันผัสสะก็เกิดเพราะผัสสะเกิดหเวทนาก็เกิดบางทีก็สมันนะด้วยนะอู ติดใจแล้วเกิดร้านไหนร้านไหนขับรถไปจอดน่อยจอดนอยลงไปพอจอดลงกันเกลี้ยงพระกันนั่งมอส้ามองพระก็คิดเขาก็คงคิดโอ้โหจะสมาทานจะไม่บวชตลอดไปไเหมือนพระมันนั่งอิจฉาเราก็คิดอย่างนั้นนะนะพระเขคิดโอ้โหโยมมันนั่งทําเก่าไม่พระทำเอาสวยแล้วเก่าพราคิดอีกมมนึง่งโยมก็คิดอีกมุมหนึง่ง บอกโอนไม่เอาแล้วบวไม่ได้กินเหมือนเราเรากินประจำสบามีความสุขว่านั้นนะยอมก็อยู่กับสุขเวทนาาบางคนคิดไม่ได้ก็อยู่กับทุกขเวทนะเมื่อไรจะได้สึกสักทีนะจะได้กินเนี่ยยอมไปใหญ่แล้วนะนนี่มันเป็นอย่างเงี้ยวัตถะเหมันก็หมุนไปหมุนไปกับราคะบ้างโทศบ้างโมหะบ้างใช่กายทุจริตทุจริตมนุษทุจริตกามาแต่นี้เอาเลยทีนี้ พอโลภะโทสะมันเป็นอัตยาศัยมาแล้วพอมันได้เหตุปจนะัจจัยเน่ะไอโลภะที่ไม่แล้งมันก็แรงขึ้นนะถ้าได้ปัจจัยเพราะมันเกิดอยู่แล้วใช่ไหมมันชํานาญอยู่แล้วเป็นอาจินะกรรมในชีวิตประจําวันไม่เคยไข้ควรไม่เคยทาปริญญาในเวทนาเหล่านี้อยู่แล้วลองคิดดูทีอาจินะกรรมของเขาเขาไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัวเลยนะว่านิบาปอกุศลธรรมละโมบมันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนี่ยเขาคุ้มครองทวารไม่ได้คุ้มครององินรีย์ไม่ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้ทำปริญญาในเวทนาให้ชัดเลย โอ้ยชิ้นสินี้กขาเป็นอย่างนี้จริงๆ น, นะแล้วก็ไปแบบเนี้แล้วสังคมก็เพินกลับมาบ้านโอ้โหวันนี้ไปทํางานโอ้โหเหนื่อยหน้าดูเลยว่ามันแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อานนั่งรถไปนเนี่ยก็เกำลังคิดท้าก็คิดคนละมุมแต่ท่าใข้ควรกรรมฐานใข้ควรอะไรต่างๆท่านก็คือใข้ควรกรรมฐานท่านท่านก็ยิ่งเย็นโทษใช่ไหมเห็นโทษแล้วโอ้โหเนื่อยมาก แต่ก่อนเราไม่ร so exactly. er ู้เลยว่าเวทนาเนี่ยควรกําหนดรู้ควรกําหนดรู้เหตุเกิดของเวทนาด้วยไอเวทนามันไม่เที่ยงและไอเวทนาเหล่านี้ทำไมมันเกิดร่วมกับอะไรเขารู้ด้วยนะเวทนาโสมณสเวทนาเกิดร่วมกับตัณหาเป็นอย่างนี้โสมณสเวทนาโทมณสเวทนาเกิดร่วมกับโทสะเป็นอย่างนี้อุเวขาเวทนาเกิดร่วมกับกับโมหะเป็นอย่างนี้โสมณสเวทนาที่เกิดกับมหากุศลเป็นอย่างนี้เขาก็น้อมถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านะ บางท่านโอ้ยเอาแล้วเป็นบุญของเราแล้วที่เราได้ฟังบัตธรรมคําสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าตรัสไว้จริงแท้ไม่แปรผันนะชีวิตของคารวาสนี่คับแคบมากเป็นทางมาแห่งทุรีโอ้เป็นทางมาแห่งราคะโทสะโมหะมานะทิฐิวิจิกิจฉาหิริกะโนตระปาอุชฌะเป็นทางมาแห่าาหาาหกงาหกายโยตุจริทธวจีโตุจริทมโนโตุจริทเป็นกางทางมาแห่งบาปอากุศลธรรมลามก โอ้โับแคบจริงๆโอกาสที่บุญจะมาแทรกในกระแสใจของคารวะนั้นขับแคบมากคนที่เขาอยู่คารวะไม่ได้เขาคิดแบบนี้นะเขาบอกโอ้โับแคบจริงๆไลยบุช่องทางทางทาวารตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยบุ ญ, บญไม่ค่อยได้ช่องเลยนะโดยมากก็เป็นแต่บาปอกุศลธรรมทั้งนั้นที่มันไหลก็แล้วเมื่อไรเนาะเขาจะเห็นว่าทำคําแสเ อ, อคํอาสอนขมุกุจ้าณน่มันมันมืดมนเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าการเวทนาเข้าสายกรรมคุณหมดเลยเวทนาทางตาก็อาศัยกรรมคุณเอาเวทนาทางทวารหูก็อาศัยกรรมคุณเวทนาทางทวารจมูกก็อาศัยกรรมคุณเวทนาทางลิ้นทางกายทางใจก็อาศัยเรือนเนี่ยอาศัยกรรมคุณอาศัยกรมคุณห์ก็คืออาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จริงไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันควรเสพแล้วไม่ควรเสพมันก็มีใช่ไหมถ้ากรณีแบบเนี้ยถ้าไปเสพสิ่งใดแล้ว ราคะที่ยังไม่เกิดก็เกิดโทสะที่ยังไม่เกิดก็เกิดโมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นไอ้ยางนี้เขาเรียกไม่ควรเสพพราเสพไปแล้วเนี่ยมันสร้างอะไรสร้างทุกข์ให้กับกระแสะขันของของตนเองในอนาคตนั่นแหละกลุ่มของกระแสะขันที่จะไปรับทุกข์ก็คือกลุ่มกระแสะขันที่ที่กำลังทํากรรมนะวันนี้นี่แหละถามว่าอย่างเนี้ยคนเขารู้ไหมว่าเขาทําบาปถ้าเขาไม่เรียนว่าทำเก็จะรู้ไหมว่าเป็นบาปเขาไม่รู้เลยใช่ไหมเอาแล้วคนที่เขาทําบุญ่ะเขากินอาหารของเราไหม กินกินก็ทําไงเขารอบรู้เวทนาเออเขาจะเจริญเวทนาที่ไม่อาศัยเนกเอาอาศัยเนกขม่าไม่อาศัยก ร, รมอคุณยังไงเขาก็พิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินดาปาทังปฏิเสวามัโอ้ยนี่นะพิจารณาก่อนที่จะกินอาหารเนี่ยโอ้กินเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเกิดกําลังพลังทางกายเพื่อความมีกําลังไหมเพื่อความอ้วนพีเป็นต้นหลเ ห, ห, นะหล่านั้นหรือไม่ แต่เรากินไปเพื่ออะไรใช่ไหมไอ้ทุกขเวทนาที่มันบีบคั้นทำให้บริโภคอาหารไอ้ทุกขเวทนาที่มันเกิดจกากกรรมเก่ามันก็เริ่มมางานงานแล้วใช่ไหมเตโชธาที่เกิดจกากกรรมเรียกปลายจักรเตโชเนี่ยมันไหลมาเผากระเพา ะ, พาะโอ้อยเป็นงูชนิดหนึ่งเนะไม่ได้แล้วเราต้องจัดการเยอะเราจะเราจะกําจัดเวทนาที่เกิด จ, จกากจากกรรมเก่าได้ยังไงเพราะเราทาํากรรมไว้ใช่ไหมเพราะมีรู ป, ปรกายเนี่ย รูปการ์มมันเกิดจากกรรมใช่ไหมมันเป็นผลของกรรมเนี่ยเมื่อกรรมนั้นผลิตวิบากออกมาผลิตผลออกมาไอตัวไตโชทาตมันก็ไหลเข้ามาที่กระเพาะพอไหลเข้ามา เ, เสร็จมันก็ไปยึดกระเพาะเนี่ยยึดแน่นอยู่งั้น่ะทีนมันยอมปล่อยสัทีเจ้าตัวจ้องขันนั้นใะ่ไหมกระเพาะอาหารมันก็ประกอบไปยึดอะไรยึดธาตุสี่แล้วนี่แหละที่อยู่ภายใ น, นล่ะธาตุสี่ใช่ไหมดินน้ําไฟลมออ ก, ก็รัวเป็นการจกายทั้งหมดในสุกกายก็สุดโซมเหียื่อยน่นริมา โอ้ยไม่ช่ำชื่นแล้วเอ๊ะทำยังไงเนาะเอาต้องให้อาหารเนี่ยแล้ก็ได้อาหารอาหารมาแล้โอ้ยเพื่อกําจัดทุกขเวทนาใหม่แล้ว เ, เก่าเพื่อจะไม่ทําให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นเออกําจัดทุกขเวทนาเก่าต้องมีวิธีนะต้องใค่อยควรต้องพิจารณาดีว่าเอออาหารชนิดนี้ไมเป็นโทษต่อร่างกายแล้วจะสามารถกําจัดทุกขเวทนาเก่าได้ใช่ไหมพอบริโภคเข้าไปก็มีโยนิสมนสิกาโนเออจะได้เร่งความเพียรในการที่ทําอะไร ทำเวทนาัยเนคขม่าตั้งสมถะวิปัสนาที่เกิดขึ้นจากการอาศัยเวทนาดับเวทน า, านี้ให้ได้ก่อนถ้าอย่างนั้นไม่มีกจิกระใจในการที่จะเล่งความเพียรในการที่จ ะ, จะเจริญกุศลในพระาศาสนาตามพระธรรมคำสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมพอได้อาหารก็ไปปุ๊บไอเไอปาจกาตเตโชมันก็ปล่อยกพรพาะนล้วเป็นเล่นงานอาหารโอ๊ยคนชั่วสุขเวทน า, าก็เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ใครควรไม่พิจารณาประโยค้าวิบัติเอาอาหารเป็นพิษใส่้าไปเป็นไง เสร็จเลยตอนนี้ใช่ไหมเราไปนอกจากจะไปดับทุกขเวทนาเก่าได้ก็จริงแต่ทําทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอันนี้กรรมใหม่ไหมนี่กรรมใหม่ไปโยคะวิบัตเพี้ยนผิดอีกแล้วขาดโยนิโสมนัสิการในการกินอาหารนี่ไหมโทษของการกินอาหารแล้วก็เห็นใช่ไหมบางคนกินอาหารติดคอตายได้เขาเห็นไหมนี่โทษของการไปพิจรารณาใช่ไหมบางคนกินไปก็คุยไปอาหารยังเคี้ยวไม่ละเอียดเราอยากจะคุยจัดติดคอเลยรนะี่ ก็ออกไม่ได้ติดหลอดล้มไปที่นี่ชักเลยในเนี่ยนะเรียบร้อยเลยตายออันตมายังสลดใจตอนบวชไม่นานในนี้ไม่ชีกินอาหารเข้าไปเนะยกินกินกินไปก็เธอเธอก็คุยอ่ะคุยคุยคุยคุยเบ็หัวลอกกึ๊กติดนี้เลยลลงฝุ่นอยู่ตายแล้วสลดใจเลยโทษของการไม่พิจารณาเนี่ยอุตสาหบวชเข้ามาในศาสนาแตายเพราะการกินอาหารไม่ได้พิจารณา โทษของการไม่ไม่ทําตามก็ทําคําสอนของพระุทธเจ้าเขาเป็นโทษมากมากเลยนะ เ, เลยนะี่ยก็พิจารณานะบอโอ้เห็นมรณะภายัยก็ไม่รู้นะว่าอาหารคํานี้กินเข้าไปแล้วมันจะทําให้มรณะภัยเกิดขึ้นกับเขาเขก็ไม่รู้หรอกว่าไอเวทนามันจะทาชีวิตเขาเลยจะตัดรอนชีวิตเขาตรงนี้แล้วเขาก็ไม่รู้อยู่แบยนี่เห็นไหมอย่างไม่ตราบไม่พิจารณาดีๆถามมาทําไม่รอบรู้เวทนาอย่างนี้ยจะทําให้บริสุทธิ์ในาศาสนานี้ได้หรือไม่นะ้ อรอบรู้จริงๆนะฉะนั้นหากว่าเรารอบรู้ในพระธรรมคำสอนแล้วก็มาไข่ควนอย่างนี้เราจะเห็นเวทน า, าที่อาศัยกรรมาคุณแล้วก็เวทน า, าอใส่เนี่ยคำว่เวทน า, าที่อาศัยกรรมาคุณเนี่ยควรจเจริญไหมไม่ควรจเจริญเลยนะเราก็ต้องไปดูนี่สมนั้นอาศัยกรรมาคุณได้ไหมได้นะก็อย่างที่บอกไงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้ที่น่ารักน่ายินดีน่ า, im, นาเพลิดเพลินน่าพอใจ แล้วโทมานัตน่ะ อ, อโสมานัตอาศัยเนคขมมาก็อย่างที่บอกอาศัยโสมานัตนั่นแหละแล้วก็กตั้งสมถะและวิปัสนาพิจารณาเนี้ยว่าอ้ได้โสมานัตจากการกินอาหารเป็นต้นเรื่องนี้ก็ใคร่ครัวในการตั้งเจริญวิปัสนาสมถะและวิปัสนาเป็นต้นเรื่อนี้ในที่สุดจริงๆก็เป็นปัจจัยแก่เนคขมมากได้แล้วโทมนัตอาศัยกรรมคุณอ า, อาศัยยังไงอาศัยยังไง อาศัยยังไงอ่ะโทมานัตอาศัยกรรมมาคุณก็ถามว่าคิดถึงอดีตไหมอ้าวสมมติคิดถึงอดีตสมัยก่อนอายุยสักประมาณยี่สิบเนาะโอ้โหตอนนั้นกรรมาคุณเป็นไงรูปก็งามใเสียงก็เพราะเนาะกลิ่นก็หอมอะไรต่างดูดีไปหมดนั่นแหละพอไปนึกถึงแล้วเป็นยังไงโทมานันเลยนะทยําทำยังไงนาะเราถึงจะมีรูปประคันอย่างนั้นใช่ไหม รู ป, ปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสมัยเมื่อยี่สิบปีที่แล้วมันแข็งแรงมันไม่เจ็บไม่ป่วยเลยพิจารณาไหมามาได้รูปเวทนาโดยเฉพาะมาได้รู ป, ปขันมาปัจจุบันนี้มองไปจุดไหนไม่น่าดูเลยจะลูกก็โอยจะนั่งก็โ อ, อยเนี่ยนะมาพิจารณาอิทโท ม, มันนั่นก็เกิดขึ้นนี้อาศัยอะไรอาศัยกรมคุณในอดีตที่ดีๆเนาะแล้วก็คิดถึงในอดีตอ่ะ เกี่คิดถึงในอนาคตอีกแล้วจะนนีเพ้อฝันโอ้โหตอนในก็ปัจจุบันมันยังทุกข์เขวนาขนาดนี้แล้วในอนาคตเราจะทุกขนาดไหนเนี่ยต่อไปเราจะอยู่กับใครเคยคิดไหมโอ้โหชีวิตของเรานี่มันโดดเดี่ยวเหลือเกินไม่รู้จะอยู่กับต้องไปนับอาศัยอะไรอาศัยกรรมมาคุ้นใช่ไหมเอือเราจะอยู่กับใครบางคนเนี่ยมีทรัพย์เยอะๆยังเช็คหนักนะโอ้โหเราสร้างมันซะเยอะเลยเนี่ยจะทำยังไงจะใครจะมาบริหารต่อ โทมนัทอาศัยกรรมาคุณอ so, ีกแล้วเห็นยังใช่มปัจจุบันก็ได้เนะพิจารณาดูดีเป็นโทมนัทเยอะแยะหมดโอ้โหเลยเราหน้าเนี่ยไอ้ตรงนั้นเราก็ไม่ทำเนี่ยถ้าเราทําำก็จะได้แม้เมื่อวานนี่เสียโอกาสไปแล้วแล้วเหมือนนี่แม้ถ้าเราพูดอีกคำหนึ่งแค่นั้นก็จะตัดสินใจซื้อบ้านอยู่แล้วโทมนัทเลยก็จะเหมือนตัดสินใจผิด กลยเป็นไม่กี่มือที่ตัดสินใจผิดพลาดัวเองบางทีโอ้โหโทมมนัสอาศัยกรรมาคุณนี่มันอยู่อย่างเงี้ยชีวิตนะถ้าไม่รอบรู้โทมมนันสเวเดนาเนี่ยมันถามมาทางทวารไหนต้องรู้เด้เนะ่บางทีมันอาศัยทวารตาเนี่ยโทมมนันสเวเดนาเกิดขึ้นมันก็อาศัยภาษาทางทวารตาเป็นต้นน่นแะทางทวารหูก็อาศัยภาษาทางทวารหูบางทีเสียงที่เขามาบอกนี่แหละพอเราโทรศัพท์กลี้มไปยังไง เออเนี่ยพอดีเนี่ยเราจะนําเสนอขายสิ่งของนี้ชิ้นหนึ่งโอ้โหเขา อ, อะไรมาให้เสดจ็จได้จริงๆว่างั้นเมื่อกี้ตัดสินใ จ, จซื้อหลายอื่นไปซะแล้วโอ้โหธอมันนาตะสายกามงคณทางตวานหูแท้ๆนี่เห็นไหมเราไม่เคยเห็นโทษของทอมนันนาเสวนาที่สายกามงคุณอล่านี้เลยใช่ไหมกลิ่นได้ไหมกลิ่นได้ไหมบางทีเนี่ยกลิ่นนี่แหละบางทีเราผิดหวังเลย เราทีละอาหารนี้ต่อไปก็ต้องเอ้ยเรา ก, เราก็เราก็ทําอาหารเนี่ยนะเพราเก็บไว้สักพักหนึ่ง <c oughs> กล่าวจะกินหน่อยมันดมดีบุตรนะ้วโทมานาใสอส า, ย, อายกลิ่นเนะยอะแยะหมดเนี่ยแล้วก็อาศัยเล่นกันเยอะแยะหมดอาหารที่กินก็นไปโมานาใสาแล้วก็สัมผัสชิดนึกเรื่องราวต่างๆเย่าโทมนาที่อาศัยการมาคุณเนี่ยมากว่ารูปที่น่ารูรปที่น่ารักมากกว่าบุคคลพิจารณาการไม่ได้ ไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่น่ารักน่าไข่น่าพอใจน่าชื่นชมชมเนียซึ่งเกี่ยวกับโลกามิที่รู้แจ้งได้โดยตาโดยไม่ได้เฉพาะเมื่อตามลึกถึงรูปที่ไม่ได้โดยเฉพาะซึ่งล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปลปวนไปแล้วจากโทมานะขึ้นโทมานะเห็นปานี้เขาเรียกว่าโทมานะ ท, ที่อาศัยเรือนก็ไล่ไปตามลําดับนะ่ยก็ไล่ไปตามลําดับ งันทมนัทมีมสกรามคุณก็ได้อุเบกขาสกมคุณที่ทมนัทอาศัยเนครมเาคิดยังไงอ่ะทมานัอาศัยเนคขมถามว่าบางทีเนี่ยบางทีเจริญไอ้บางทีเราคิดกรณีที่ทุกเวรนามากๆเกิดขึ้นทมนัศไมทมนัทเนาะเอาเสือกัดขาขาดเลยอย่างเงี้ยก็ ย, ยุ่งเลยนะ ตอนนั้นก็มีอมีคนก็้ามาถามมาถามบอกว่าเออเราจะพิจารณาเห็นรูปขันด้วยความเป็นทุกข์นี่จะพิจารณาอย่างไงมาเขาบอกอก็ถามว่าเราเอาอย่างนี้ถามว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยถามว่ารูปขันเวทนาสัญญาตังหาวิญญาณเนี่ยใช่เป็นตัวปัญหาเป็นทุกข์นี่คือตัวปัญหาใช่ไหม คือตัวปัญหาก็คือโรคมะเร็งนะถาว่าโรคมะเร็งเนี่ยโรคมะเร็งมีหลายระดับนะหลายระดับเนาะฉะนั้นยาที่จะมาใช้เนี่ยก็ก็ต่างกันโรคมะเร็งนี่เป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านกี่พันชนิดนะจริงๆแล้วไม่ไม่เห็นวิจัยได้แค่ร้อยร้อยชนิดมิจัยมันมีมากมายนะฉะนั้นสัตว์โรคทั้งหลายก็คือทุกคนเป็นโรคมะเร็ ง, ง่ที่ยังขจัดทุกไม่ได้นก็คือโรคมะเร็งดีดนี่แหละ ลองออกคนเป็นโรคมะเร็งไปงรวมกันอยู่เนี่ยถามว่ามันคึกตัวปัญหาหมดเลยใช่ไหมผู้รักษาก็เป็นมะเร็งผู้ถูกรักษาก็เป็นมะเร็งอี้่ทุกวันเนี่ยอันนี้พูดถึงในความที่จะมองเห็นอาชีะวะของขันนะรูปเวรน า, าสัญญาสังข า, ญญามียันเป็นทุกข์กันนั้นนะแล้วก็แก้ทุกข์กันไม่ได้เอาสิแก้กันอย่างผิดทางหมดแล้วทีนี้ามามองในลักษณะนี้เราจะเห็นโอ้โ ห, หละ ง, งมอะโรคนี้ยโลกใบนี้มันเต็มไปได้วยพิษไข่เยอะ เต็มไปด้วยพิษไข่ยังไงทีนี้พระเจ้าก็ให้คําสอนคืกสูตรสูตรยารักษาโรคมาเลยใช่ไหมพระเจ้าก็วางแบบปุกเหมือนสองหมื่นกว่าสูตรนะที่พระเจ้าเทศนาเนี่ยยักย้ายถ่ายเ ท, ยทไปตามอธัธยาศาัยของสัตว์อี่เฉพาะก็สูตรไม่นับเทวินายไม่นับพระอภิธรรมแต่นับทั้งหมดเลยแปดหมื่นสี่พันวัธรรมขันเนี่ยแปลว่าเป็นสูตรยาในการรักษา เชื่อมมะเร็งเลนยนะรักษาโรคได้หมดเลยแต่ว่าเออถูกไหมเออจะเริยนอย่างว่ากรณีที่มาไข้ควรสูตรไะเอาเวทนาแบบแบบยอดแบบพิสดารหรือแบบปันกลางใช่ไหมก็มาไข้ควรนี่แล้วก็บอกโอ้พระธรรมคำสอนพระเจ้านี่เป็นตัวดับโรคดับตัวปัญหาจริงๆไงนะทีนี้ว่าเออเราไมเ่เราไม่เข้าใจเราไม่เคยคิดนะว่าเร า, ปาเป็นโรคมะเร็งเลยถ้าเราเข้าใจว่าโอ้เนี่มันเป็นตัวปัญหาตัวทุกข์โดยแท้ แท้ที่จริงก็คือเป็นที่ชมนมของตัวทุกข์ทั้งหมดเลยใช่ไหมกระแสของรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่คือทุกข์พระเจ้าแต่เรเป็นทุกข์กระสัไอ้ทุกข์กระสันี่ควรรอบรู้ควรกาหนดรู้ไอ้ควรทำป ร, ริญญาเนี่ยกลมาพิจารณ า, าแม้จะเวทนาลงมาพิจารณาดูทีอย่างทุก ข, เ, ขเวทนาและโทมนัสเวทนาถามว่าในสังเราต้องดูว่าเออในอบายภูมิตอนนี้โทมทนัสเวทนาเขาแค่ไหน เรคิดดูว่าในเอเวจีที่ท่านพระเทวทัตเนี่ยท่านทํากรรมหนักเนี่ยทําอนันตฤกตกองที่ต้องสเสวยทุกขเวทนาในบใบยปุลเรายังสบายใจอยู่ตอนนี้ใช่ไหมแต่ท่านกําลังทรมานทุกวินาทีเนี่ยท่านไม่เคยมีสุขเวทนาเกิดขึ้ น, นทเลยนี่เพราะเออเราไม่เห็นไงถ้าเราลองเห็นมีปัญญายาหรือมีวิชาอย่างที่พระเจ้ามี หรือมีวิชาอย่างสาวกของพระเจ้ามีทำไมสาวกของพระเจ้าหรือพระเจ้าท่านถึงรังเกียจขันนี้นะแต่ไม่ใช่รังเกียจเพื่อทําลายนะท่านใครควรท่านรังเกียจหรืเมื่อไรท่านจะปรินิพพานด้วยดีทั้งๆ ท, ที่ท่านละกิเลสไดนะ้ท่านยังเห็นว่าขันของท่านเหมือนกับเอาสุนัขเน่ามาผกไว้บนขี้คอเขาบอกว่าบุรุษก็ดีสตรีก็ดีที่เป็นวัยรุ่นน่ะชอบการแต่งตัวมากกว่างั้นนะรักความสวยงามรักความของหอมมาก่ะ วันหนึ่งอ่ะถูกใครอะเอาเชือกมามัดเขาไว้อย่างแน่นแล้วปลดออกก็ไม่ได้แล้วแขวนี่สุนัขเน่าขวานที่คอเขาไว้ถามว่าเขาจะอึดอัดอิดหนาละอาใจต่อสุนัขที่ผูกคอเขาไว้นักมากขนาดไหนชั้นใดพระละหันทั้งหลายท่านเบื่อขันตรงนั้นอย่างของท่านแบบนั้นท่านไม่รู้จะอุปมาไงใช่ไหมท่านเลยอุปมาแบบเป็นแบบเนี้ยบอกเราเบื่อนายขันนี้แบบนี้เหมือนกันจนเวลาท่านเจริญนิพพานท่านปีติไหมโอ้ยท่านปีติมาก เพราะท่านจะไม่ต้องมาเกิดมาในแบบรับขันธภาชะอีกต่อไปท่านไม่ต้องยกขันธภราชาขึ้นสู่ขนาปฏิสนที่ท่านไม่มาต้องบริหารขันธภราชาในการยืนการเดินการนั่งการนอนการคูกการเหยียดการก้มการเหนยการกระพริบตาปากการกินอาหารการขับถ่ายการดูแลสรีละการทํามาหากินการจะต้องเลี้ยงลูกการจะต้องมาก่อสร้างบ้านการที่จะต้องไปมีครอบครัวไม่ต้องมาแบกรับภาระเหล่านี้เราจะไม่ใช่โอ้ยหน่าเบื่อหน่ายมากเนี่ย ไอเราเบื่ออย่างนี้มันเบื่อไม่พอเนะการเบื่อของเรามันไม่เพียงพอต่อการที่จะกระตุต้นกระแสขันในการที่จะทําศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้แข็งแรงให้เป็นพร ะ, ะได้ใช่ไหมไม่มีกําลังพอในการที่จะตั้งวิปัสนาเป็นธมณัตหรือโสมนัติหรือเบกขาเวทนาที่อาศัยเนคขม้าได้ถ้ามันน้อมออกจากรรมาคุณจริงๆใช่ไหมบอกโอ้โหเรื่องกามแมวแล้ะรูปเสียงกินว่าสัมผัส กรรมคุณนี่โอ้โหเป็นที่หมาทุกโทษจริงๆอันนี้แปลว่าเบื่อไหมนั่นกระแสที่ไข้ควรพิจารณาที่สุดจริงๆเนี่ยใช่ไหมถ้าไข้ควรเป็นอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีการเบื่อไปเป็นตามระบบมันไม่จะโดดลักฟึดเลยเนะไม่ใช่หรอกมันจะเป็นไปมันจะสะสมเป็นไปตามลําดับแล้วมันจะเริ่มเริ่มปริมาณของการไข่ควรพิจารณาเนี่ยถ้ามันเบื่อหน่ายจริงๆเนี่ยมันคลายกำนัดจริงๆนี่นะเราบอกเออเราจะไปทางไหน เชื่อไหมกุศลธทําหรือพระพุทธเจ้าจะดึงท่านออกจากกรรมคุณเดย์อย่าไปกังวลใจเลยไม่ต้องไปกังวลตายแล้วถ้าเราไปออกจากกรรมคุณจริงๆแล้วชีวิตของเราจะอยู่ยังไงมันเรื่องที่ตกใจไปแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าอัธยาสัยที่มันน้อมจนว่าจนตั้งมั่นจนแข็งแรงนั่นเนี่ย พ, พระพุทธเจ้าจะแนะนําทุกขั้นตอนทุกระยะเลยชัดเจน ม, มันจะไปอย่างมั่นใหญ่เพราะอย่างมันจะเป็นอย่างไัฉะงั้นเวลา อย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่หรือสาวกของพระพุทธเจ้าที่บรารมีแก่กล้าจริงๆ เ, เช่นพระหมหากรสฏทีนางพธธระตกาปิลาณีเป็นตน้นเอาแค่สาวกนี่พอบาบารมีเต็มเนี่ยท่านอะไรในทรัพย์ไหมมีทรัพย์แต่ไม่อะไรในทรัพย์มาเอาสิอย่างเราโอ้โหคิดได้ยังไงอย่างเราก็คิดได้แค่ตโตทยาเศรษฐีโตทยาเศรษฐีมีทรัพย์ว่ะหูยอยู่างนี้ ไม่มีอะไรแล้วหูผู้เจ้ามาก็กันแนกันแหน่ผู้เจ้าเรื่องตําหนิบั้งว่าบ้างเขาทํามาให้กินกันนี่ย่อมทํามากินเช้าขึ้นมาก็ถือบาดมากพูดพูดด่าผู้เจ้าเรื่องตัวเทวเศรษฐีพวกอย่างนี้นะนะก็แล้วกาตายไปเป็นสุนัขเฝ้าทรัพย์อยู่นี้นี่เดี๋ยโทษมีปากนะแทนที่จะพูดให้ได้บุญกับไม่พูดไม่ทําทางหน้าเจ้าววจีสุจริตพูดสรรเสริญคุณของผู้เจ้ากลับไปพูดตําหนิคุณของผู้เจ้าผู้มีคุณใหญ่ตายไปเป็นสุนัข พอพระเจ้ามาบ้านหลังนั้นวิ่งเห่าเลยไม่หเหา่าธรรมาดาแต่นี่ด่าเลยนั้นหมามันดาเนะี่ด่าพรนะเจ้านี่ยมันเหา่าด่าพระเจ้าใหญ่เลยพระเจ้ารู้โตเทียด่ดา่าดูก่อนโตทียเออเป็นมนุษย์ดา่าเราแล้วก็เกิดเป็นสุนัขนี่มดาด่าล้วตอนเป็นสุนัขนี่จะไปอเวจีแล้ว อ, อ, อแล้วมันรู้ด้วยสุนัขก็วิ่งวิ่งก็ไปสุกร้องแย้ ง, ง, ง, ง, งอยู่ที่กี่เท่า ลองมันไม่ยอมขึ้นคือโตทยพราบเ อ, อ้ยไม่ใช่สุภามาณ น, นกโตทยาบุตรเนี่ยลูกชายเนี่ยรักหมาตัวนี้มากใช่ไหมแต่ก่อนพ่อตายก็รักพ่อก่อนพ่อตายพอพ่อตายเกิดเสร็จพ่อไปเกิดเป็นหมาอธัธยาศัยผูกพันเนี่ยแต่เราจะ่รักหมารักแมวทั้งตัวอย่าไปแปลกใจเนาะอย่าแปลกใจแล้วทีนี้พอพอไปรู้ว่าพระเจา้าบอกโห้พ่อตายเกิดเป็นหมา โ, โหยโทสะ พ, พุ่งปิด จำนวนปัจจุบันโอโหทษาพุ่งโอ้โทนไม่ไหวแล้วเป็นพรามตายเป็นพรมไอ้บ่าพ่อเราเป็นสุนัขเองกล่าวไปราจะจัดการพระเจ้าไหนไปที่วัดชี้หน้าตำหนิพวกเจ้าเราเป็นพรามตายไปแล้วต้องเป็นปรหมตำหนิพระเจ้า่หมือนดูทุกข์มากถามว่าพ่อเราเนี่เป็นระดับเศรษฐีตายไปเป็นสุนัขอ ไ, ไงพวเจ้ า, าอเนี่ยรู้ไหมว่ารัพย์สมบัติที่เธอยังหาไม่เจออะไรบ้างม่ว่ หมวกทองคําก็ยังไม่เจอสุดรองเท้าทองคำราคาแสนาหาไปน้าไปตึ้งก็ไม่เจอใช่ไหมไม่เจอเอาเลยกลับไปพิสูจนพ่อเป็นให้อาหารให้อะไรอย่างดีให้นอนพอหมาอพอสุนัขตัวนี้จะหลับหให้เรียกพอ่อเรียกหมาเป็นคุณพ่อแล้วบอกเออสมบัติเนี่ยพ่อไปไว้ที่ไห น, นลุกขึ้นวิ่งไปคุยไปโอ้ดําตาไหลเลยตันี้จะทําไงจะเรียกหมายัางไงดีน้จะระลึกชาติได้นะ้ยอนะยมากเนาะ เ yeah, yeah, yeah, yeah. ยอะยแยมีไปเอ่งเลยงนะี้ทีนไปไปมามาก็ต่อมาสุนัขตัวนั้นก็ตายแล้วก็ลงอาวจีจีไปแล้วนุ่นแย่กว่าเดิมเลยลงอาวจีจีตอนเนี้ยทุกขเวทนาของเขามากไหมโอ้ยทุกขเวทนาในใบยมโหนักมากทุกขเวทนาในเปรตวิสัยก็หนักทุกขเวทนาในสุรกายก็หนักทุกขเวทนาในอาบาตสัตว์ประเภทสัตว์เดรัจฉานนัง่งหหนักมาก ยังไงว่าสัตว์อะไรสักชานบางยังพวกไม่มีเสื้อผ้านุ่งเลยเนะขนจะนุ่งยังไม่มีเลยต้องคิดดูเขาจะพกขเขาพิจารณาสักแค่ไหนเนาะอากาศร้อนเขาก็ร้อนอากาศหนาวเขากา็หนาวเนีาา่ยไม่มีสิทธิ์บนให้ใครฟังเลยว่ามันนี่อะไรมานั่นก็คือสังสารวัตรเนี่ยเราเคยเป็นมไหม่าพิจารณาอย่างนี้ลองคิดดูน่าการุณาเราไหมา ก, กา่อนที่จะกรุณาคนอื่นกรุณาตัวเองเมไหอในสังสารวัตรเนี่ยเออมันน่าการุณาโดยแท้ บางครั้งก็เล่านี่แหละโทษจากการไม่รู้คือโมหะนี่แหละแล้วก็ปททสลายตัวเองทุกเวทนาใครทำสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเนี่ยสัตว์โลกทั้งนั้นเลยเป็นผู้ทำกุศลกรรมก็ให้สุขเวทนาเป็นส่วนใหญ่สมอุเบกขาเวทนาเป็นส่วนน้อยใช่ไหมถ้าหากว่ากุศลกรรมอย่างประนีให้ศพให้อุเบกขาเวทนาอย่างประณีเอาสิถ้ า, าว่าทำบุญที่เป็นสมณสเวทนาเล็กน้อยก็ได้สมณสเวทนาเล็กน้อยเป็นตัว ถ้าทำกรรมได้ทุกขเวทนานะบวชเธอจะไปรับทุกขเวทนานะบอกนั้นจะอู้หนาตัวแต่สำคัญกรรมตอนที่ทำน่ะนิดเดียวขนาดเดียวแต่ไปปัทุสลายผู้มีคุณขึ้นมาโอ้ยโทษเห็นไหมเห่าไม่กี่ครั้งลงอวเวจีวทุกขเวทนาเกิดถึงไม่มากเลยนะไม่ถึงห้านาทีนี่เห่าแดนไปเห่าโอ้ยผู้ที่เป็นสัพพัยุตญาณเห่าได้วทวัสสะปัทุสลาย พ, พระพุทธเจ้าจะ ก, กัดรพระพุทธเจ้าบ่างั้นเถอะ มันโหน่ากลัวมากใช่ไปฏิทัสล้ายใครไม่ไปปุิทัศลายไหมไปประทุศน์ายพระผู้มีพระเจ้าที่บม่มเพนบารมีมาต้องเสียสงไข ย, ยิ่งในแสนกับในที่สุดจริงๆริโอ้เรียบร้อยเลยนี่ถ้าระลึกถ้าสรรเสริญคุณเนี่ยสุนัขบางตัวเนี่ยเขาเห็นพระเห็นพรประเจกับพระเจ้าใช่ไหมก็ เ, เห่าเหมือนกันนะแต่เห่าเราได้บุญเอาสิ เฮาได้โสมนะนั่นเฮาได้หมากรุษได้เป็นโคสการเสตีไปเกิดบนเทวดาโหเป็นเทพาทบทเสียงดังมากเป็นโคศกประจาเทปโฟมเลย <c oughs> โอยเห็นไหมเนี่ยก็ได้โสมนะนั้นเสวยนา <c oughs> มาพิจรารณาโอ้โหเห็นไหมมีปากไว้ทําบุญทําบาปแท้แล้วก็มาพิจรารณาอู้ต่อไปสมาทานไหมอูย้ยเรามีปากต่อไปเราจะทําบุญดีกว่าอ้าวาาทศชายว่าทำอย่างนี้เป็นบุญไหมเป็นบุญเห็นไหมมีเป็นบุ ญ, บ ญ, บญเป็นภาวนากุศลนะ นี่ภาวนากุศลเราเนี่ยมานั่งฟังอย่างนี้มโนกรรมของเราเป็นมโนกุศลนะเป็นภาวนากุศลนะเนี่ยกายกรรมของเราก็เป็นกุศลกุจีกรรมก็เป็นกุศลในขณะที่เป่งวาจามาเป็นต้นโดยเฉพาะมโนกรรมเนี่ยเป็นภาวนากุศลอณาามาแสดงธรรมเนี่ยปราดอี่มัสแสดงว่าอณาได้ไหรือได้เจริญภาวนากุศลอ้าวถ้าหากใครควรจิตเป็นสมาธิเป็นสมถะภ า, าวนาวสิ พิจารณาเห็นความจริงของสังขารมีความไม่เที่ยงเป็นต้นเห็นเหตุปัจจัยของความไม่เที่ยงเป็นต้นเป็นวิปัสนาภาวนาเอาสิใช่ไหมเทศนาไปนะเนี่ยอ๋อมีท่านบรรลุเป็นตัวอย่างได้แล้วมีพระโสดาบัเป็นต้นแลคนฟังทำที่บรรลุนับไม่ทั่วเลยเป็นโกรธหลายสิบโกรธแค่แสดงธร ร, รมจักรกับพระนะสูตรก็ป้าก็ไปตั้งสิบแปดโกรธแล้วเอาเอว่าพร่มนะสิบแปดโกรธแล้วมงคิดด้ว ฉนันคนที่บรรลุในขณะที่ฟังทำเพราะเขาฟังเป็นใช่ไหมเขาตั้งอัธยาศัยถูกที่เราจะตั้งอัธยาศายบางสูตรไหนบรรลุอเอาสติปัฏฐานสูตรก็แล้วกันนะผมบอกเออพระเจ้าเนอดีเนะะี่แสดงสติปัฏฐานสูตรขอให้ข้าพเจ้าที่บรรลุในสูตรนี้เท่าไม่นะาคนเขาตั้งอัธยาศายอย่างนั้นเหมือนเล่นบรรลุสูตรหนักๆเลยนะสติปัฏฐานสูตรมี่แปลว่าอุตุต้องสปายะอาหารต้องสปายะแล้วกันแหลบุคคลสปายะแล้วก็ จิตของครูเอทำมากที่ฟังอดสอบตายเยะมันอัจยาไสก็จะแทงตลอดอ่ะสติปัฏฐานสูตรือต้องการแทงตลอดสูตรยาวเลยอ่ะแล้วประเภทที่บรรลุแล้วต้องพิดสดานด้วยอเอาเั้นนะหรือบรรลุใครจะรู้จักชื่อมไม่สนใจแล้วคอยรีบนะรรลุเนี้ยกลัวกลัวสังสารวัดมันเอาไงดี ก, ก็ก็เนี้ยลักษณะของเวทนาเนะก็ก็ไข้ควรในลักษณะหญิงคงจะพอเข้าใจนะเรื่อง เวทนาที่อาศัยกรรมขงคุณฉะนั้นเวลาขณะที่เราทํากรรมไปเนี่ยก็ในแหละตัวเวทนาก็เกิดตลอดทั้งสมนะสเวทนาโทมนะสเวทนาอุเอขาเวทนาได้สังเกตดูนะถ้าเราไม่สังเกตดูเนี่ยเราจะทำกรรมด้วยโทมนะสเวทนาก็เยอะเอาถ้าหากว่าสมมุติว่าถ้าโทมนะสเวทนาคือโทสามันเกิดเนี่ยเราจะรีบสมมุติว่าทํามันเครียดเนี่ยเรารีบระบายในการพูดเลยได้ไหมอ๋อถ้าเรากโกรธนี่มั้งยังไงมันต้องพูดก็ สมัยก่อนแล้วก็ถูกสอนกันอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราเครียดเนี่ยเราจะต้องระบายคือการพูดหรือไม่อย่างนั้นก็ไปทํางานทํำไปก็ระบายความแค้นไว้เออนี่นี่อะไรก็แล้วแต่เนไหมในปัจจุบันนี้ก็ยังมีเป้ามาปาเนะเวลาคนเกิดเป็นโทมนานสเวตนาเนี่ยเขาแก้เันแก้ปัญหาโทมนานสเวตนาให้โทมนานสเวตนาดับด้วยกันเขาบอกว่าเอาปืนไปยิงเป้าก็ได้ใช่ไหมเอาอะไรงต่างสารพัดคือไปทุบทุสลายโกดทีโกดเ้าเนี่ย ก็ลกคนนี้ไปติดข้างขฝาเขาแล้วก็ยีกว้างอยู่นั้นกว้างกว่าเมันก็จะทมันนะเขาแก้ทมนาเวทนากันอย่างนี้นะมีคนคนหนึงนะเมาเหล้าเมาเหล้ามันแค่นีกคนนึงวะไอ้นนมทมนาเวยดาราเขเกิดไอ้โทสาวมันนะวันหนึ่งมันเกิดเมาเหล้าเมาเหล้าที่จักรยานไม่ได้มันก็ใช้อันนี้ใช้ผ้าเข้าม้ารู้จักผ้าเข้าม้าไหมโบราณยังรู้จักนะ มัดเอวแล้วก็ไปมัดจักรยานว่ามันถีบถไม่ไว้มันเมาจัดถึงก็มัดเอียวก็ค่อยๆลา่าเดินเดิน ไ, ไ, ไ, ไ, ไปเ่อยเดินไปเร้าไปเร้าก็อร้าไปเสร็เสร็จอ้อมผ่านบ้านอย่งนี้เดีวยวว่าด่ากูทุกวันมาเห็นน้าสะใจโทมนนาน่าเสวยเลยนนั่งปรดี๋ยวเห็นกองหินปรเดี๋ยกองหินอย่างใหญ่เลยนั่งด่าไปด้วยเอากองหินน่ยคว่างควา ง, วางจนกระทั่งหลับหนึ่งคิดดูเหะ เล่นตะกองหินกลองไปเลอยเนะี่ยคว่างหมดบ้านเลยไอควางหมดนั่นเลยแปลว่าหลังคาทะลุหมดแล้วก็หลับเพราะเมาเลยเตือนกันมาโอ้บ้านพังหมดเลยนึกว่าบ้านคอนแคบที่ไหนบ้านตัวเอง <c oughs> เล่นบ้าน <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> ทอมไทีแรกก็เป็นสมณัติเนาะเนีนะ่ยคนสะใจแล้วสมนัสเวทนาจะทำอะไรนะพอตื่นป่วนโศกขึ้นมาจากสั่งเมาตื่นขึ้นมากลายเวทนาเลย <c oughs> ทอมณัตเสวยธนา แคนเคอร์ม่เงิไม่รู้จะไปว่าใครเลยมันก็น่าเอะใจใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่มีใครมาด่ามาว่าเลยกว้างอยู่ได้ไชสิวโมงถ้าเป็นชาวบ้านคนอื่นเนอะวันนี้เขาก็เล่นงานนี่ไม่ยอมคิดคนเมาอยู่างเงี้ถ้าเป็นบ้านคนอื่นเจ้าของก็ออกไปเล่นงานแล้วเออตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวก็อยู่ซวยเลยโทมานัสวต า, า, านาเล่นงานนะ่นบอกเลเห็นไหมว่าโทษของการทำำํากรรมก็นน ก็เนี่ยเวทนาถ่ากว่าเราเราชัดเจนในเรื่องของการการเข้าใจในเรื่องของเวทนาท่านถึงบอกว่าสามิสังวาสุขังวาสุขเวทนามีามิสเป็นต้นคําว่าอาศัยเรือนเนี่ยเข้าใจยังคําว่าอาศัยเรือนเนี่ยอาศัยตาทวานตาทวานหูทวานจ ม, มูกทวานลิ้นทวานกายทวานใจหกไหมหกเนาะอาศัยแล้วเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอวทานเป็นต้นนะนี่นเขาเรียกอาศัยเรือน บางทีอาสัยเรือนก็จริงอยู่นะแต่ว่าเอออาศัย